นะท่านก็ต้องไปทำงานถึงสามปีนะเพื่อที่จะได้บริโภคอาหารถาดทองถาดหนึ่งในถาดทองบริโภคแบบเศรษฐีนะแต่ว่าการสะสมบุญของท่านมีในอดีตมาจึงเป็นปัจจัยให้พอทำงานครบสามปีก็ได้รับการบริโภคแบบเศรษฐีคือไปอยู่ที่ทางสีแพร่งก็เรียกประชาชนมาดูแล้วก็คนรับใช้ทั้งหมดก็ต้องมาปนิบัต นายคนนี้เหมือนกับปฏิบัติต่อเศรษฐีเลยท่านก็เตรียมจะบริโภคนะพระประเจกพระพุทธเจ้าท่านหนึ่งก็ออกจากนิโรธทสมาบัติมาก็ พ, พิจารณาเห็นว่าเนี่ยบุคคลนี้ไนดะ้จะมีศรัทธาที่อนุเคราะห์แล้วก็จะได้ตําแหน่งใหญ่แล้วก็ในอนาคตก็จะได้บรรลุธรรมะเนี่ยนะท่านก็เลยมาโปรดมานุเคราะห์พอเห็นพระประเจกพระพุทธเจ้าเท่านั้นเนี่ยอ น, นาภาระนี่ก็เตรียมจะบริโภคลนะล้างมืออะไรเรียบร้อยแนละ ก็เลยคิดเกิดโยนิโสวันสิการด้วยอุปนิสัยการสังสมในอดีตนะว่าที่เราจะต้องมาทํางานถึง3ปีเพื่อบริโภคอาหารมื้อหนึ่งเนี่ยเพราะเราไม่ได้ให้ทานในอดีตมานะเพราะฉะนั้นอย่าง ก, กรณ์นั้นเลยเราจะนําอาหารที่ได้มาจากการทํางานสมปีนี่แหละไปถวายพระปัจเจกบพระุทธเจ้จาพ อ, อนิมนต์เสร็จแล้วก็เอาอาหารทเทไปครึ่งหนึ่งพระปัเจกพรุทธเจ้าก็ปิดบาสนะท่านก็บอกว่าอย่าอนุเคราะห์ผมในชาตินี้เลย อาหารเป็นสำหรับบุคคลคนเดียวอนุเคราะห์ผมในชาติต่อต่อไปด้วยเถอะนะแล้วท่านก็ตั้งความปรารถนานะว่าเกิดมาชาตินี้มันลำบากเหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยกุศลพระลบุนี้ขอให้เกิดในวัตะเนี่ยนะญานได้เจอกับคำว่าไม่มีอีกต่อไปเลยแต่ท่านปรารถนาตกลงปรารถนาตรงนี้เป็นกุศลหรืออกุศลเนี่ยฮะ แต่ท่านไม่ลืมในการที่จปรารถนาว่าว่าขอให้ได้เห็นธรรมเหมือนกับที่ท่านเห็นด้วยนะเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่ลืมในการที่จะปรารถนาในการทยาจะทำให้อ่าพ้นจากวัตทุกรนะก็เลยเป็นปัจจัยให้ตอนหลังท่านก็มาเกิดเป็นพระอนุตตะแล้วก็ไม่รู้จักเขาว่าไม่ไ ม, มีนะความปรารถนานั่นเองที่ปรารถนาที่จะ เห็นทำที่พระ พ, เ จ, รพเจ้าเห็นก็เลยเป็นอุปนิสัยทำให้ท่านเนี่ยน้อมไปในการที่จะบวชแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยนะในการตั้งความปรารถนาหลายๆอย่างก็ไม่มีโทษอะไรหรอกแต่ว่าควรจะต้องรู้นะว่าปรารถนากราบหรือว่าปรารถนาด้วยกุศลเป็นพรมีอะไรเพิ่มเติมก็คือคือเรื่องการปรารถนาพอพูดถึงตรงนี้ทาให้ทำให้คิดว่า สิ่งที่จําเป็นที่สุดก็สังเกตดูในชั้นของบุคคลที่เขาจะบรรลุทำเรม่องนี้ไม่ว่าจะดูปร ะ, ว, าาร ะ, ประวัติของท่านพระสารีบุตรจะดูประวัติของท่านพระมหากัเจียนะหรือพระโมคคัลลานะหรือท่านพระมหากรศบทั้งหลายเราเนี่ยนะถ้าเราดูการเส้นทางการสร้างบารมีของท่านมันจะมีอยู่เรื่องนะึงอย่างเช่นพระสารีบุตรเนี่ยตอนที่ท่านเกิดเป็นดาบดใช่ไหมและที่ท่านพร้อมได้บริวารห้าร้อยที่ท่าน กั้นฉัดดอกไม้ถวายพระอนมทัติสีสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เจ็ดวันตอนนั้นพระอนมทัตสีเข้านิโรธสมาบัตดพร้อมด้วยพระรหันท่านก็ทําฉัดดอกไม้นั่นแหละกั้นถวายแล้วก็ที่อาสนะทั้งหลายก็ตกประดับตกแต่งด้วยฉัดดอกไม้นั่นแหละบูชาพระุทธเจ้าอยู่เจดวันในครั้งนั้นน่ะท่านปรารถนาเพื่อจะเป็นอัครส า, าวกใช่ไหมเบื้องขวาเหมือนกับพระอัครส า, าวกในครั้งนั้น แต่ลูกศิ์ของท่านเนี่ยที่เป็นดาบทเหล่านั้นบนรรลุหมดนะแล้วเหลือท่านคนเดียวนยีไม่ได้บรรลุถ้ามองนี้มันใจหายเหมือนกันนะทั้ทงๆ ท, ที่ตัวเองจกบรรลุบรรลุก็ได้นั่นี่ยแต่ไม่เอาจะจะเอาอีกฐานหน้าหนึ่งเลยนะถ้ามามองอย่างเนี้ย้าวัดใจอย่างเราอ่ะสมมุตินะถ้าจาักฟังธรรมวันนี้บรรลุได้แต่เราจะปราถนาไปต่อหน้าพระพักของพระเสียเยยัไม่ตายสมมติเนี่ย เราจะอาบรรลุวันนี้หรือว่าไปต่อหน้าพระพัก <c oughs> เอาวันไหนเอาวันนี้ข้อมูลแค่นี้พอสมควรหรือ <c oughs> จริงๆข้อมูลมันยังบรลุไม่ได้แต่สมมติเอานะ <c oughs> แต่ถ้าบรรลุได้บนข้อมูลแค่นี้ก็ประหลาดไหมนะกลายเป็นเรื่องแปลกแล้ว <c oughs> แต่ไงจะพระนั่งร้องไห้เลยเนะี <c oughs> ่ยทำไมข้อมูลยอมน้อยกว่าเรายอมไปก่อนเราเนี่ แม่นั่งเครียดกันเป็นแถวเป็นแถวกลับไปต้องนั่งประชุมกันใหม่เนะียไปนั่งไปคุยใหม่แนะ่หรือะไรเกิดขึ้นกับพวกเราซะแล้วเนี่ยแสดงว่า <S <S เราผิดพลาดหรือเปล่าอะไรเงยแต่ตรงเนี้ยทาให้มองให้เห็นว่าบุคคลที่ถ้าปรารถนาใหญ่เนะีอย่างเช่นที่ท่านอาจารย์สันติยกมาจะเป็นพระอนุรุธทธาอย่างนี้ก็ดีกลุ่มบุคคลเหล่านี้ระดับแสนกับใช่ไหมระดับแสนกับระดับเป็นพระระดับมหาสาวกน่ ท่านี้ที่ว่าไม่ธรรมดาบัรลุออกมาแล้วก็พ่วงด้วยปาฏิหาริ์หลากหลายอะอิทธิปาฏิหาริ์อธิษฐาปาฏิหาริ์อนุสาสนีปาฏิหาริ์นี่ชัดมากเวลาท่านจะแสดงคําสอนทั้งหลายจะมีหลักการมีอะไรแผลว่ามาเลยเนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่น่าตื่นเต้นที่ว่าอันนั้นทั้งหมดเหล่านั้นก็จะเห็นอะไรเห็นมรดกของพระเจ้านั่นเองที่ท่านเหล่านั้นได้มาแล้วก็รับมาแล้วก็ที่ ถ้าเรามองนี้ก็คือมาจากการอธิษฐานเป้าหมายสูงสุดที่อธิษฐานก็คือการพ้นทุกข์พ้พวงจากพ้พวงจากการที่จะได้ ก, ก่อนจะพ้นทุกข์เนี่ยก็คือพบชาติที่ดีหเหมือนกคาทานากุศลศีลกุศลและภาวนากุศลที่เราเรียนศึกษาในเรื่องของอนุภูมิคาถาความสมบูรณ์อย่งพบชาติแล้วก็ความสิ้นจากพบชาติเนี่ยเป็นอาการปรากฏใช่ไหมอันนั้นเป็นผลปรากฏของทานเป็นต้นหรื แล้วก็จะมองเห็นว่าโอ้เนี่ยเกิดขึ้นจากความเข้าใจอย่างดีแล้วที่ปรารถนาความพ้นทุกข์แต่ในเนื้อในของการปรารถนาความพ้นทุกขนะ์เนี่ยบนเส้นทางของความไม่เดือดร้อนของความไม่เจ็บปวดมากเพราะจริงๆสังสารวัตมันก็คือความเจ็บปวดอยู่แล้วใช่ไหมแต่กว่าที่จะไปพ้นทุกข์ได้ก็ไม่เจ็บปวดมากจนจนสหัสการอย่างบางท่านนึงทั้งบางท่านเนี่ยบรรลุแบบกระล่องกระแร่งเลยนะสังเกต ด, ดูนะเช่น เป็นโรคเรื้อนแล้วบรรลุอย่างเงี้ยโอ้โหเจ็บปวดเนี่ยเนี่ยเป็นโรคเรื้อนเนี่ยทรมานเนี่ยแต่แต่ท่านได้บรรลุอันนี้ก็โหกรรมของท่านก็สหัสการหรืออย่างเช่นพระโลสกาติดสาเทระเนี่ยอันที่ไปไปทุศร้ายพระหรหันต์ในอดีตแล้วต่อมาก็อดอดอยากหยักใช่ไหมอย่างนี้ท่านก็ตั้งจิตปรารถนาจะบรรลุ ก, กับเขาเหมือนกันนะแต่ก็เจ็บปวดมากสังสารวัตที่พอตายไปแล้วก็ไปตกนรก พอจากตกนรกเบีดเสร็จก็มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมเกิดเป็นเปรดก่อนแล้วมันเออเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานห้าร้อยชาติใน500ชาติท่านไม่รู้จักคําว่าอิ่มเล ย, เยไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยและในชาติสุดท้ายก่อนจะครบ500ในชาติที่500ร้อก็ได้อิ่มส ม, มือหนึ่งแล้วก็ตายเนี่ยแล้วต่อมาก็มาเกิดเป็นยักษ์อีกตั้ง500ชาติเนี่ยแล้วก็เกิดอยู่อย่างงั้นแหละแล้วก็ไม่เคยได้คำว่าอิ่มไม่มีเลยพอจะมาอิ่มกับเขาหน่อยในชาติสุดท้ายก็มา กินรกของคนที่คลอดบุตรครั้งสุดท้ายก็พ้นจากอัตภาพนั้นแล้วตอนนี้ก็มาเกิดเป็นขอทานโอ้โหอิสอนนนจะดราม่าเลยเกิดในตระกูลอีก500ชาติมาชาติที่ห้าร้อยเบสเสร็จอลไรเนี้ยที่มาได้อัธยาศาัยกการที่จะบรรลุนี่ท่านก็ปรารถนาเหมือนกันนะเนี้ยปรารถนาจากบรรลุเหมือนกันแต่ก็มาด้วยความเจ็บปวดไปอยู่ในตระกูลของขอทานขอทาน ก, ก็โอ้โหชนิดที่กำลังเกียดเราเลยขนาดอยู่ในท้องแม่แม่อดอยากทั้งๆที่ขอได้ก็ไอ้ลูกคนนี้มาเกิดแล้วขออะไรก็ไม่ได้เงี้ยนะถ้าเรามองอย่ห็นี้ ซึ่ง น, น่าคิดตรงที่ว่าเมื่อท่านต้องเลี้ยงดูตนเองด้วยสภาพที่ขอทานแม้มาบวชเป็นพระแล้วเนี่ยก็บินธบาตไม่ได้ไม่ได้เลยจนท่านได้บรรลุเป็นพาาระอะหันอรหัตมรรมอรสัธผลของท่านก็ยังไม่สามารถที่จะไปกั้นาบาปอากุศลประเภทที่อดอยากนี้ได้แม้ในวันที่ท่านจักรปรีนิพานสังเกตถูกไหมที่ภาษาริบุตรพาพระลูกศิษย์ของท่านที่พาออกไปบินธบัตไม่ได้อาหาร ภาษาริบุตก็พลอยไม่ถูกไม่มีวนทักทายด้วยนจนต้องให้พักอยู่ที่โรงฉันแล้วท่านก็ไปรับหาอาหารมาแล้วอาหารมาให้ทั้งๆต้องมาจับบาบให้ฉันอาหารมือสุดท้ายพิจารณาว่าถ้าปล่อยมือทันที่ไรถ้าปล่อยมือเนี่อาหารในบาบจากอันตราธานดันดีแต่เรามองอย่างนี้นะทำไมแรงขนาดนั้นกรรมอุศบกรรมแต่แต่ท่านก็ปลอดภัยไปแล้วนะที่พูดเนี่ยอันนี้ถึงปลอดภัยแลยนะเนี่ย อันนี้อันนี้ก็คืออธิฐานความพ้นทุกข์แต่ถ้าเนี่ยตรงนี้ท่านถึงมองว่าบาปเก่าอักษรกรรมเก่าทุจริตเก่าๆที่ทํามาแล้วในสังสารวัตเนี่ยมันตามแน่นอนเยอะเพราะชาวนาดวงที่สองถึงดวงที่6มันมีกําลังมันก็ตามไปเรื่อยๆจนกว่าจะปรินิพานเนี่ยถ้ากระแสขันนี้ที่สืบต่อไปยังไม่ปรินิพานตราบใดก็จะตามให้ให้วิบากให้ผลตรงนี้เราก็สิ่งที่หน้าน่าเซพึงกลัวของภัยในวัตฏะที่มันจะตามเบียดเบียนชีวิตของเรา อันนี้หมายถึงมาข้างหลังไอ้ที่ดักข้างหน้าก็เหมือนกันที่เราจะต้องไปทําบาปใหม่ทุจริตใหม่เอาศุล ก, กรรมใหม่เนี่ยถ้าเราไปเกิดร่วมกับมิจฉาทิฐิใช่ไหมเมื่อไหรเราก็ไปเผลอทําชั่วเนี่ยไอ้ตรงนี้บาปใหม่ทุจริตใหม่เห็นไหมข้างหลังก็ตามมาเบียดไอข้ข้างหน้าก็ก็มืดอันนี้คือกลุ่มโมหะสามโมหะทั้งหลังก็เต็มบอดในจิตเนี่ยไอ้ตรงนี้เราก็ต้องมานั่งคิดกันแล้ว สำหรับผู้จะวางแผนชีวิตในการเดินทางเพื่อความสู่เป้าหมายในกรณีการสายในการพ้นทุกข์นะขอตอเพื่อนนี้นะขอเจิเท่าดีจับประเด็นได้นะอาจารย์ก็คือการปรารถนาเราก็เหมือนกันพระอนุรุทธะนะครับก็คือปรารถนาทั้งโลกียสมบัติหรือว่าลงตะละสมบัติด้วยนะครับ ก็เพื่อที่จะตราบใดที่เรายังวินไหวไตเกิดอยู่เนี่ยก็เรียกว่าจะได้ไม่มีความทุกข์ยากในการดํารงชีวิตอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้าทุกข์ยากในการดำ ร, รงชีวิตแล้วนะครับโอกาสที่จะทําบุญเนี่ยนะหรือว่าเป็นบา ร, รมีก็ต้องใช้สติปัญญาวความสามารถอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับตอนนี้จะถัดไปในเรื่องอื่นเลยนะครับคือเรื่องกามาทีนวะ รเรื่องการมาทีนวะเมื่อเราได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของสุกติภพต่างๆแล้วเราก็ต่อไปก็เข้าสู่ความสังเวชสลดใจนะครับการเห็นโทษของในสุกติภพภูต่างๆแม้ ว, ว่าจะเป็นสิ่งที่เมื่อเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ควรที่จะไปสู่สุกติแต่สุกติเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่มีโทษอยู่นั่นเอง ก็จะได้ถามปัญหาในเรื่องของโทษของกามครับท่านอาจารย์โดยการจะให้ความหมายก่อนนะครับในข้อที่หนึ่งครับคำว่ากามเนี่ยมีความหมายว่าอะไรครับท่านพระอาจารย์สุพรครับ <c oughs> <c oughs> คาว่ากามนะคาว่ากามก็มี <c oughs> สองอย่างวัตถุกามกิเลสกาล <c oughs> ก็เสื่อไปถึงสองความหมายเลยกามะตามศัพท์ก็แปลว่ า, า, ป, วาปรารถนาใคร่พอใจอย่างอย่างนี้นะ <c oughs> ถ้าแปลตามความหมายของวัตถุกามก็แปลว่าสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจนะก็คือตัววัตถุต่างๆ ที่ทําเป็นเหตุให้กิเลสมันเกิดเข้าไปต้องการปรารถนามันนียนะแล้วก็ <c oughs> ถ้าพูดถึงกิเลสการมก็คือตัวที่เป็นเหตุให้บุคคลอันนี้ถ้าพูดในญ่าของปุคลาธิฐานนิดหนึ่งก็คื อ, อสภาวะที่เป็นเหตุให้บุคคลเกิดความไข่พอใจในในวัตถุการมต่างๆ ก็สรุปเป็น2ความหมายนี้นว่าหมายถึงสิ่งที่น่าใคร้น่าพอใจก็ได้แล้วก็หมายถึงตัวตัวที่เป็นตัวใคร้ตัวพอใจหรือตัวที่เป็นเหตุให้บุคคลทั้งหลายมีความใคร้พอใจในวัตถุการต่างๆก็ได้คงตอบตอบแค่นี้ไว้ก่อนท่านอาจารย์จะมีอะไรเสริม <c oughs> วันนี้เราก็ได้บริโภคกามกันทุกวันไหมนะเราก็ได้บริโภคกามกันทุกวันและเราก็เป็นกามาบุคคลด้วยนะอารมณ์ส่วนใหญ่ของเราก็เป็นอารมณ์ที่เป็นกามมีบัญญัติก็บัญญัติเนื่องกับกามนะเพราะฉนั้นเราก็ควรจะต้องรู้จักกามนะกามในสองข้อหมายนี้ถ้าเป็นวัตถุกามก็หมายถึงเป็นวัตถุที่ทําให้เกิดกิเลสกาม น, นั่นเอง กิเลสกรรมโดยตรงก็คือหมายถึงตัณหาหมายถึงตัวโลภะน ะ, ะนนสําหรับวัตถุกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปกําหนดรู้ซึ่งก็เป็นชีวิตประจําวันของเรานะที่มีแต่วัตถุการรมนะซึ่งก็เป็นพวกกามโมวจรวัตถุกรรมนี่กว้างนะวัตถุการมเนี่ยหมายถึงว่าที่ตั้งของกิเลสนะตัณหาทั้งหลายนะก็ทั้งกามโมจรรูปเอาจรแล้วก็อรูปเอาจรเลย เป็นที่ตั้งหรือว่าเป็นอารมณ์ของกิเลสตัณหาได้ทั้งนั้นแต่ว่าสําหรับการมบุคคลก็จะอยู่กับการ ม, มาทำนะการมรรมา ท, ทั้งหลายเนี่ยจนกว่าถ้าใครสามารถที่อบรมเจริญสติเจริญปัญญาที่จะรู้ว่าการทั้งหลายเหล่านี้มีโทษควรจะต้องมีการออกจากกามนะก็สามารถที่จะอบรมคุณธรรมจนทั้งสามารถที่ออกจากกามก็คือเปลี่ยนเป็นรูปรวจรเป็นกุศล เป็นธรรมะขั้นสูงกว่าการนะสําหรับกิเลสกรรมนั้นเป็นสมุทยัยเป็นต้นเหตุที่จะทําให้เกิดวัตถุกรรมเพราะฉะนั้นสําหรับวัตถุการมทั้งหลายเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเข้าไปกําหนดรู้สงเคราะห์ลงในขันห้าทั้งหมดเลยนะวัตถุกรรมเนี่ยเป็นไปในกาโมาจรรูปาจรรารูปาจารทั้งหมดมส่วนเจ้ากิเลสกรรมนี้เป็นสิ่งที่จะต้องละเป็นสมุทยัยแล้วก็เป็นสังขารขันนะ ถ้าเป็นวัตถุกรรมนั้นรู้ได้ด้วยวิญญาณทั้งหกเลยรู้ได้ทั้งหทวารนะเป็นอารมณ์ได้ทั้งหอารมณ์แต่ถ้าเกิดเป็นกิเลสกามเป็นสิ่งที่รู้ได้ด้วยมโนวิญญาณเป็นได้เฉพาะธรรมารมนะในตัวเราปัจจุบันนี้ก็มีอริยสัตว์กี่อริยสัจเนี่ยนะมีสองอริยสัตว์แล้วเห็นหรื อ, อยังสองอริยสัตว์นี้เห็นหรื อ, อยังพยายามเพื่อจะเห็นบ้างไหม ก็ต้องพยายามเพื่อที่จะเห็นนะเพราะว่าการที่เราพยายามเพื่อที่จะเห็นอริยสัจสองเนี่ยจะเป็นการเริ่มอบรมมรรคสัจเป็นการเริ่มอบรมเพื่อน้อมไปในเนโรธทัศน์ถ้าเราไม่ได้เห็นสมุทัยไม่ได้เห็นทุกข์ตามความเป็นจริงเริ่มต้นก็คือว่าจะต้องเห็นว่าทุกข์จะต้องเป็นสิ่งที่จะต้องเข้าไปกําหนดรู้นะส่วนสมุทัยก็จะเป็นสิ่งที่ต้องเข้าไปละ การเข้าไปกำหนดรู้การเข้าไปละตัวที่เข้ากำหนดรู้ตัวที่เข้าไปละนั่นคือตัวโลกยิยามัคนะซึ่งถ้าเราอบรมอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นคนที่จเจริญมัคนี้ปัถนาพพปัฒนาวัตตะหรือปัตนาวิวัตตะคนที่จเจริญมัคได้เนี่ยคนที่มีสติปัฏฐานเกิดบอ่บอยๆหรือน้อมไปในการเจริญสติปัฏฐานไม่บ่อยเนี่ยก็แสดงว่าใจเขาน้อมไปในการที่จะออกนะ ถ้าสัจธรรมไม่ค่อยเกิดวิปัสนาไม่ค่อยเกิดก็แสดงว่าใจน้อมออกไปในวัตตะน้อมไปในวัตตะหรือวิวัฏตะก็ในวัตตะมากก็เป็นสิ่งที่จะต้องเรียนรู้นะเพราะว่าชีวิตของเราก็คือกามนั่นเองจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับตรงนี้ก็ขอเสริมตรงนี้นิดนึงก็คือเกี่ยวกัมกามกามมาทีนะวากามมาทีนะวาคือโทษโทษของกามนิดนะึง ก็คือพระองค์ต้องการชี้ให้เห็นถึงการโทษของตาหูจมูกลิ้นกายใจก็พอพูดถึงตรงนี้ก็ทําให้นึกถึงในเรื่องของคําว่าขันติสังวรพระเจ้าตรัสถึงในกรณีของการอดทนที่พูดว่าอดทนต่อความหนาวอดทนต่อความร้อนเนี่ยคำว่าทําใดย่อมอดทนคือยอมรับได้เพาเหตุนั้นสภาพธรรมนั้นเขาเรียกขันติเนี่ยนะขมาก็คือผู้อดทนก็คือยอมรับได้ที่แนะ ก, ก่ทออวิวาสนะขันติ ตรงนี้เชี่้เห็นถึงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อาสวะทั้งหลายเหล่าไหนเนี่ยอย่างไหนที่พึงลัได้ด้วยการยอมรับได้เพราะความอดกลั้นตรงนี้ก็คือว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตรงนี้ก็คือว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาแล้วด้วยโยนิโสมนัสิการก็คือเป็นผู้ฉลาดมีอุบายเนี่ยในการที่จะคิดให้ถูกทางเนี่ยเป็นผู้อดทนต่อความหนาวแม้ถูกความหนาวกำจัดหรือเกิดจากสัมผัสนะ ก็หมายความว่าเกิดอากาศที่หนาวจัดย่อมไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนสะทานเนี่ยด้วยพิจารณาถึงโลกาติริยานนรกก็คือพิจารณาอย่างนี้ก็คือพิจารณาถึงโทษของวัตถะโทษของกามนั่นเองถ้าเราจะมาประสบกับความหนาวเหน็บอย่างรุนแรงในปัจจุบันท่านบอกให้ยอมรับได้ด้วยปัญญาให้พิจารณาถึงกรรมในสังสารวัฏนีในเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้เนี่ยว่าเราเคยเกิดในโลกาตริรยานนรก นรกอันนี้อยู่ในอยู่ในปากอยู่ในขอบจักรวานใช่ไหมมีจักรวานเนี่ยเชื่อมโยงกันอยู่เนี่ยส า, สามจักรวาลเนี่ยชนกันอยู่สัตว์เหล่านี้ก็มีความยาวก็ประมาณสามคาวุธิสามคาวุธก็ประมาณเท่าไหร่สิบสอกิโลเมตรความยาวของของสัตว์นรกประเภทนี้ก็อยู่ในที่มืดมิดก็ห้อยหัวประดุจ ด, ดังค้างขาวเกาะอยู่ตามผนังจักระวานนั้น และในขณะที่พอจะเจอกันขึ้นมาก็กระโจนกระโจนจับกันกินเนี่ยแล้วก็ล่วงไปในในในน้ำกรดแล้วก็แหลกละเอียดไปอย่างนี้และเราก็เคยอยู่ในสังสารวัตรประเภทโลกาตริยานรกเหล่านี้มาฉะนั้นพระท่านก็อดทนต่อความหนาวเหน็บเหล่านั้นได้ก็ผูกใจไว้กับกรรมฐานไม่ยอมปล่อยกรรมฐานเป็นต้นเหล่านั้นไว้เพราะเห็นโทษของสังสารวัตรินโทษของกามตรงนั้นนั้นอย่างหนึ่งหรืออีกประเภทหนึ่งท่านก็บอกว่า อดทนต่อความร้อนแม้ถูกความร้อนจัดเนี่ยสัมผัสแล้วก็ไม่หวั่นไหวสันสัานด้วยการพิจารณาถึงเอเวจีมหานรกก็พิจารณาว่าในเอเวจีมหานรกันหนักคนนั้นอีกถ้าเราดูอย่างนะที่ว่าพระเทวทัตเนี่ยไปตกอยู่ใ น, ในเอเวจีมหานรกเนี่ยถามบอกว่าร่างกายเนี่ยมีความยาวไม่รู้กี่โยอต่อกี่โยอยถ้าเรามองอย่างนี้ก็คือว่าในสังสารวัฏเนี่ยถ้าเราขืนไม่พ้นจาก หรือไม่พิจารณาเห็นโทษของกรมไม่ใข้ควรไม่วิจัยไม่พิจารณาที่สุดจริงๆเราก็จะกลายเป็นอบายศัสตร์ประเภทนี้ฉะนั้นถ้าเราจะเกิดความร้อนเกิดความทุกข์เกิดความทรมานก็ยอมรับได้ด้วยปัญญาอดทนนี้แล้วก็พิจารณากรรมและผลของกรรมไม่ชัดแล้วก็ผูกใจไว้กรรมฐานไม่ยอมทิ้งกรรมฐานก็คือไม่ยอมทิ้งความดีไม่ยอมทิ้งศีลสมาธิปัญญาไม่ยอมทิ้งทานศีลภาวนาเป็นต้นอลไรนี้นะผูกจิตเข้าไว้ อีกประการหนึ่งท่านก็บอกว่าพิจารณาต่อความหิวกะหายความก้าหายแม้ไม่ได้ซึ่งอาหารวันถึงสองวันนีก็พิจารณาซึ่งอุกการอุบัติเกิดขึ้นในเปรตวิสัยของตนเองเนีในสังสารวัตที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้ไม่หวั่นไหวก็ไม่ละทิ้งแน่เที่ยวซึ่งกรรมฐ า, านนั้นก็แปลว่าเราเนี่ยเคยเกิดเป็นเปรตมาวิรุกจิจมพวกเคยหิวเป็นพุทธันดอนเยอะ ถ้าเราดูอย่างญาติของว่ายาวพิมพิสานเราจะเห็นชัดว่าท่านหิวหนึ่งพุท ธ, ธันดรก็เสือม ก, กสนกันขนาดนั้นหรือมองอีกอย่างหนึ่งที่ว่าในคําสอนที่บอกว่ามีเปรตอรเภทหนึ่งท่านหิวมากท่านไม่ได้กินน้ําเลยทีนี้ท่านก็เลยทํากายให้หยาบก็ลงมาที่เม่น้ําคงคาท่านต้องการอยากจะกินน้ําอะแต่ในขณะที่ท่านวิ่งไปบนบนเปลือกไอ้บนบนบนน้ำบนชายหาดเนี่ย วิ่งไปนั้นก็ประดุดดังเหยียบบนแผ่นหินที่ร้อนเหมือนเหยียบบนกระทะที่ร้อนเนี่ยตั้งอยู่บนเตาไฟเนี่ยร้อนมากท่านก็วิ่งอย่างนั้นทั้งทั้งคืนท่านวิ่งอย่างนั้นทั้งคืนเลยจนตอนเช้ามีภิกษุ30สรูปจะไปบินธบาติเดินมาก็เห็นท่านก็ถามว่าอุบาสกนี่ท่านวิ่งอะไรเนี่ยท่านหานะบอกท่านก็บอกท่านหาน้ําท่านไม่ได้กินน้ำท่านได้ยินแต่น้ําแต่ท่านไม่รู้ว่าน้ําอยู่ตรงไหนดูกรรมมันปิดเนี่ยทําให้ไม่ให้ท่านเห็นเนี่ยนะ พระก็ท่านจะบอกโอ้โหทำไมท่านไม่เห็นอยากกนั้นเลยกรรมท่านแต่จะหนักงั้นท่านนอนลงเดี๋ยวพวกอารามาจะเอาบาดที่ตักน้ำมาเทใส่ปากนั่นเปรตต้นนี้ก็นอนลงเบสเซจท่านก็ใช้ก่อนที่จะไปวินทบาตก็ใช้บาดนั่นแหละตักน้ําแล้วก็มากอกเทใส่ปากเทกันทุกคนทุกทุกองนี่นะสาสิบใบเนี่ยเทลงไปเนี่ยก็ถามว่าเป็นยังไงท่านน้ำเนี่ยเข้าไปในปากท่านบ้างไหมเนี่ย ท่านก็บอกโอ้โหท่านน้านี่นะเข้าในปากท่านแม้แต่หยดเดียวเนี่ยนะขอให้ท่านอย่าได้พ้นจากอัตภาพขความเป็นเปรตเลยนึก็สรุปแล้วมันไม่เข้าไปเลยเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรปิดไว้กรรมมันปิดไว้ฉะนั้นถ้าเราจักหิวเพียงเวลาสองเวลาแม้ในปัจจุบันนะพบก็ยอมรับได้ด้วยปัญญาคําว่ายอมรับได้ด้วยปัญญาเข้าใจกรรมและผลของกรรมว่าในสังสาระที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้เนี่ยเราเคยเป็นเปรตมานะ ฉะนั้นถ้าเราทิ้งกรรมฐานเราทิ้งคุณความดีในวันนี้เสียเราก็จะต้องกลับไปเกิดรับรับอัตภาพนั้นใหม่ก็เห็นโทษของสังสารวัฏอย่างนี้ก็ใคร่ครววอีกอย่างหนึ่งบอกเป็นผู้อดทนต่อสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดแม้ถูกสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดมีประมาณยิ่งกระทบแล้วก็พิจารณาซึ่งการอุบัติเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานของตนในสังสาระที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้ให้พิจารณาบอกว่าเราเคยเกิดเป็นวัวเคยเกิดเป็นกระบือนะ เคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมาทุกชนิดแล้วเคยถูกเหลือบถูกยุงถูกไรเลไรตายตอมกัดมาอย่างยาวไกลถูกประตักแทงถูกเชื่อใช่ไหมพอท่านมาพิจารณาอย่างนี้เปียเสร็จท่านก็บอกโอ้โหไม่ไหวแล้วถ้าขืนยังมัวประมาทว่าโทษของสังสารวัตนี่โทษของกามนี่น่าน่ากลัวมากการที่เราจะต้องไปมีตาหูจมูกเล่นกายใจแล้ววิ่งท่องเที่ยวในสังสารวัตเนี่ยไม่ปลอดภัยเลย ท่านก็ผูกจิตไว้กับกรรมฐานผูกจิตไว้กับศีลสมาธิปัญญาไม่ยอมผ่ากิตออกจากคุณความดีเบียเ็จประการต่อมาท่านก็บอกว่าให้พิจารณาอย่างหนึ่งว่าเป็นผู้อดทนต่อสัมผัสหึงสัตว์เลื้อยคานแม้ถูกสัมผัสห่งสัตว์เลื้อยคานกระทบแล้วก็พิจารณาถึงอัตภาพในการก่อนที่เกลือน ก, กลิ้งอยู่หลายวาฬในปากของราชสีเสือโค้งเสือเหลืองเป็นต้นเหล่านี้นะ เราเนี่ยเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทที่เป็นนอนกลิ้งอยู่ในปากของสัตว์ใหญ่ๆกันเยอะมากถ้าเราดูเนี่ตั้งแต่ปลาใหญ่ๆก็กินปลาเล็กๆอย่างอย่างปลาวานเนี่ยแล้วก็เกลือกลิ้งในปากของปลาวานมาไม่รู้เท่าไหร่หรือปลาฉลามก็กินคนกินสัตว์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือแม้สัตว์บกทั้งหลายที่มันวิ่งกันไปมาอยู่งูก็กินกบกินเขียดเหยี้ยวก็กินงูอะไรต่างๆเหล่านี้ยถ้าเรามองอย่างนี้เราบอกโอ้โหเราเนี่เคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ก็กลิ้งอยู่ในปากของอภัยศัต่านี้มาอย่างยาวไกลในสังสารวัฏพอพิจารณาอย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วท่านก็ไม่หวั่นไหวไม่ทิ้งซึ่งกรรมฐ า, านท่า น, นก็ยกตัวอย่างว่าพระปณิธานนิยเทระเนี่ยท่านไปนั่งฟังธรรมสมัยก่อนพระท่านจะชอบในการฟังพระธรรมถ้ามีการตีละคังจะฟังธรรมท่านจะต้องพูดเราขอนั่งหน้าขอนั่งหน้าร อ, อ, อแล้วก่อนเนี่ยเนีย <laughs> เป็นอย่างนั้นจริงๆทีนี้ในขณะที่ท่านไปนั่งฟังพระธรรมอยู่นั้นเน่ะ พระท่านก็แสดงครั้งนั้นท่านแสดงเกี่ยวในเรื่องของอา ร, ริยาวัง ส, สูตรกําลังสาธยายเรื่องพระสูตรนี้ซึ่งมีเป็นพระสูตรที่เกี่ยวเรื่องข้อปฏิบัติอย่า ง, อ ย, างอย่างอุกฤษนะของพระผู้ที่ต้องการหลุดพ้นทั้งหลายเป็นการประพฤติข้อวัดอย่างอุกฤษของด่า น, นในด้านถือบางสกุลเบญท่านเหล่านี้ในขณะที่ท่านนั่งฟังอยู่ก็มีงูตัวหนึ่งเข้ามากัดท่านนี่นักัดท่านปุ๊บเนี่ยท่านรู้ให้งูกัดรู้ แต่ท่านไม่ไม่ไม่ใส่ใจตรงนั้นเลยจิตก็ยังน้อมในการที่จะฟังธรรมถ้าพวกเราในขณะที่นั่งฟังธรรมเนี่ยมแมลงสาบตกใส่ไปไม่เป็นเรร้องเลยใช่ไหมแค่มแมลงสาบไม่ใช่งูนะถ้างูกาดเนี่ยโหรีบเป็นเรื่องใหญ่เลยไม่มีใครฟังธรรมเลยเนี่ยลุกไปหมดจะมาเนี่ย น, นี่บ่งบอกท่านก็ไม่ยอมหนีแล้วท่านก็นั่ง แตนี้ต่อมาในขณะที่กำลังนั่งอยู่นั้นพิษนี้ก็แล่นเขาจะสูงหัวใจท่านท่านก็เริ่มพิจารณาศีลเหมือนที่ท่านจะมาโูนพิจารณาศีลจะไปที่บริบทตอตอนมันพิจารณาศีลนี่ท่านก็พิจารณาศีลพอพิจารณาเบ็ดเสร็จก็คือความที่เป็นภู้ไม่มีที่สุดรักษาศีลแบบไม่มีราบสกาละเป็นที่สุดไม่มีอวัยวะเป็นที่สุดใช่ไหมไม่มีญาติเป็นที่สุดไม่มีชีวิตเป็นที่สุด ศีลเหล่านี้เป็นไทยไม่เป็นธาตุของตันหามานะดิจิติพอพิจารณาอย่างนี้ก็โลดแล่นนะความไม่เดือดร้อนใจก็เกิดอาวิปัิสารความไม่เดือดร้อนใจปลาโมดปีติประสิทธิความสุขพอสมาธิโลดแล่นในกระแสใจของท่านก็ขับพิดไหลกลับซึ่งแผ่นดินอย่างเดิมแล้วท่านก็นั่นแหละเอาสมาธิเป็นฐานเดินวิปาาัสสนาญาณได้บรรลุสี่มรรคเลยเนะบนอาสนะนั้นในขณะที่ฟังธรรมอันนี้เห็นไหมว่าถ้ามองอย่างนี้จะเห็นได้ชัดว่า เป็นผู้มีชาติที่ยอมรับได้ต่อถ้อยคําที่หยาบคายที่เสียดแทงเมื่อฟังแล้วซึ่งถ้อยคําทั้งหลายที่หยาบคายที่เสียดแทงก็พิจารณาถึงคุณของศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเหล่านี้เห็นไหม ก, กรณีการไปพิจารณาโทษของกามโทษของสังสา ร, รวัฏโทษของการที่จะต้องไปมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นว่าขันนี้เป็นภาละเป็นขันธภาละรูปขันเนี่ยเป็นมารใช่ไหม เวทนาขันก็เป็นมารสัญญาขันก็เป็นมารสังขารละขั น, ขนวิญญาณขันก็เป็นมารตาหูจมูกเล่นกายใจเป็นมานรธรรมเป็นสภาพผู้ฆ่าเป็นความตายใช่ไหมและเป็นที่ตั้งของมารอีกมากมายเป็นที่ตั้งของกิเลสมารกิเลสมันก็ไหลออกอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมทางตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยราคะโทสะโมหะมันก็ได้ช่องจากการมีตาหูจมูกเล่นกายใจมันก็ไหลแล้วก็โชยกลิ่นของกิเลสออกอย่างทุกวันอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นมารเป็นกิเลสมารและอย่างหนึ่งนะ ขันเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของมันเป็นผลของอภิสังขารมานด้วยใช่ไหมไอ้ตัวเขาเนี่ยเป็นขันละมานอยู่แล้วและยังเป็นผลของอภิสังขารมานเพราะอภิสังขารมานเป็นตัวทำกรรมทั้งกุศลกรรมก็ให้เกิดเป็นมนุษย์ด้วยเทวดาอกุศลกรรมก็ทําให้เป็นอบายศัสตร์ตลอดถึงเกี่ยวกับเรื่องของอรูปกุศลกรรมก็ทําให้เกิดเป็นอรูปปฐมทั้งหลายเรื่อนี้ถ้าเรามองอย่างนี้จะเห็นได้ชัดว่าเห็นไหมเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยมันไม่พ้นจากการที่จะต้องมาทํากรรมใหม่อีก มันก็เป็นสภาพที่จะต้องไปตายไปเป็นสภาพที่ต้องไปถูกฆ่าถูกเชือดันอยู่เรื่อยๆก็พิจารณาในลักษณะนี้เป็นอาทีนว่าเป็นโทษฉะนั้นการที่เรามามองเห็นในลักษณะอย่างนี้ก็จิตใจก็อยากจะถ่ายถอนและอยากจะเริ่มตั้งต้นในการที่จะระดมความเพียรเพื่อจะออกจากสังสารวัฏออกจากวัฏทุนี่เห็นอะไรเห็นโทษของอาทีมันไม่ดีจริงเช่นในขณะที่เห็นแต่ละครั้งเหล่านี้เจตนากรรมที่บวกกับตันหา มันก็สร้างเงื่อนไขชักนำปฏิสนที่มาแล้วก็เป็นความเร่าร้อนของสังสารวัฏการเห็นการได้ยินแต่ละครั้งเนี่ยมีไหมที่ทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลมันเดินได้จริงในทวารตาก็ดีในทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายหรือทวารใจหรือว่าสุจริสา ม, มันออกมาเพ่นพ่านได้จริงหรือไม่ ในขณะที่เราเห็นเนี่ยหรือว่าอกุศลกรรมราโมกทั้งหลายมันไหลออกมาราคะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญมากขึ้นโดยอาศัยตาหูจมูกเล่นกายใจโทสะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็เพลิ์มากขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าโมหะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็เจริญไพบูลิ์มากขึ้นอันนี้เห็นไหมการมีการมไอ้ตัวตัวกิเลสกรรมวัตถุกรรมที่ทั้งอาจารย์สันติพูดมาก็จะมองเห็นว่ามีโทษ อันนี้ก็คือว่าเมื่อพิจารณาเห็นในลักษณะอย่างนี้แล้วมันที่พระเจ้าบอกว่าเพียงพอแล้วที่จะเบื่อนายเพียงพอแล้วที่จะคลายกําหนัดถามว่าแค่นี้พอหรือ ย, ยังเมื่อเห็นสังสารวัฏลุกเป็นไฟไฟคือราคะไฟคือโทสาไฟคือโมหะไฟคือชาติคือความเกิดชราคือความแก่พยาธิมรณะเป็นต้นคือความตายเนี่ยความโศกความล่ําไรลําพันธุ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความขับแค้นใจสรุปก็คือเกิดมาเพื่อผิดหวังแท้เนะ ปราถนาตาหัวจมูกเล่นกายใจปรารถนาทรัพย์สมบัติปราถนามีบุตรมีภรรยาปรารถนามีมีสามีปรารถนามีฐานันดรทั้งหลายเลยนี่มีเกียรติยศชื่อเสียงที่สุดกระตางก็ทิ้งร่องรอยของความเจ็บปวดเข้าไว้อันนี้ไงโทษของกาล ม, ม, มั้ยกาลมันเมียกามาคุณกามาคุณคุณนะเป็นเครื่องผูกที่สุดจริงๆก็เครื่องผูกคือบุตรบ้างเครื่องผูกคือภรรยาบ้างเครื่องผูกคือสามีบ้างเครื่องผูกคือทรัพย์บ้าง ก็ออกกันไม่ได้ออกจากบ้านหน่อยเลาก็ต้องวิ่งกลับเข้าหาเครื่องผูกอย่างอะไรนะถ้าเราดูอย่างขันห้าปวดดดดังอะไรนะโซ่ล่ามสุนัขนี่พูดสนันักเลยนะไปดูในสูตรในคมพีขันทาวรวัคติประดุดดังสุนัขถูกกล้ามโซ่เขาแว่มันวิ่งว่าเวลามันวิ่งวิ่งวิ่งมันก็นั่นแหละวิ่งกวนอยู่นั่นแหละบนเสาไอ้ไอ้เสาล่ามนี่เชือกผูกก็โดนเชือกผูกผูกอยู่นั่นเลยเวลาจะนั่งก็นั่งอิงแอบเสา เวลาจะนอนก็นอนอิงแอบเสานั่นแหละเวลาจะเดินก็เดินวนเสานั่นแหละนี่ยเวลาจะยืนก็ยืนอยู่ตรงเสาชิดเสานั้นฉันใดสัตว์โลกทั้งหลายที่ยังปรารถนาขันรูปขันเวทนาสัญญาสังการวิญญาณปรารถนาตาหูมาจมูกลิ้นกายใจก็เป็นแบบนี้ก็ปรารถนาทุกก็เนี่ยโทษท่านเองมองเห็นว่ามันเป็นโทษจริงๆอย่างนี้นีโดยเฉพาะก็คือเกี่ยวข้องกับสิ่งใดที่ไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นไม่มีไง เมื่อเกี่ยวข้องแล้วเดี๋ยวเฮานำมาชาติทุกข์บั้งชะาทุกข์บ้างพยาที่ทุกข์บ้างมรณะทุกข์บ้างนํามาซึ่งความโศกความลำเละลําพันธุ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความข้ามแค้นใจบ้างเห็นมหมยิ่งใหญ่ขนาดไหนที่สุดจริงๆก็ทิ้งความผิดหวังอยู่เบื้องหลังอันนี้คือโทษของกาว <laughs> นนี้ท่านอาจารย์รบโดยจะเสริมดีก็ในปัญหาที่ถามนะครับผมก็ สรุปได้อย่างนี้นะครับว่าการที่บอกว่ามีความหมายอะไรท่านอาจารย์สุพลนะครับก็ได้ให้ความหมายไว้สองอย่างก็คือสิ่งที่ถูกกำหนดสิ่งที่ถูกใครนั่นเองก็ได้แก่วัตถุกรามนะครับวัตถุกรามก็คือโลยิทธธท่างหลายทั้งปวงแต่ว่าให้เราเกี่ยวข้องอยู่เป็นประจำก็คือพวกกรร ม, มาคุคนั่นแหละนะครับการ ม, มาคุณ5ลประการรูปเสียงก ล, ลิ่นรสเหรเป็นต้นก็จัดว่าเป็นวัตถุกรม สนอีกความหมายหนึ่งคือสภาพที่กําหนัดสภาพที่คล้นะครับซึ่งก็ได้แก่ตัวกิเลสการมนั่นเองนะฉะนั้นก็กรรมส อ, อย่างนี้แหละครับนะมีความหมายอย่างนี้ซึ่งตัวกิเลสการมนั้นก็ได้แก่ตัวตัณหานะครับคือตัวตัณหาความทยานอยากนะส่วนท่านอาจารย์นะครับพร ะ, พระอาจารย์สมทบก็ได้อธิบายเกี่ยวกับถึงวิธีการพิจารณาลงโทษนะครับของการมเอาไว้ด้วย ซึ่งเกี่ยวกับการพิจารณาถึโทษอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะได้มาต่อกับอาจารย์สงท่านที่เหลือนะครับโดยจะต้องทราบก่อนว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดกิเลสกรรมนะอะไรเป็นเหตุให้เกิดกิเลสกรรมตอนนี้เมื่อกิเลสกรรมเกิดแล้วเนี่ยเราจะเอาธรรมะอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากกิเลสกรรมนะครับต่อไปซึ่งตอนนี้ก็พักเบรกกันก่อนนะครับก็ประมาณสักบ่ายสามโมงสินาทีนะครับเราเค่อยกลับเข้ามา ฟังพระสัทธรรมกันใหม่ก็เจอนะครับ